อันดับต่อไปเปลี่ยนจากเมตตาพรหมิหารเป็นอานาปานสติคือกำหนดลมไม่ใจกับมนึกทั้งกายที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ดเท้าต้งหัวหัวต้งเท้านึกทั้งขาเข่าทับกอดซ้ายนึกทั้งมือมือกวาทับมือทรายนึกทั้งกายท่อนล่างที่สัมผัสกับพื้นนึกเรื่อยขึ้นมาทั้งทํากลางหน้าอกทึงคอทึงหัวจากหัวกระพงไปคอ ลงไปท่ากลางหน้าอกกายท่อนล่างมือขวาทับมือซ้ายขาขวาขับขาซ้ายกลับขึ้นไปอีกครั้งนึกถึงกาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกายท่อนล่างถึงั้นผัดกับพื้นนึกเลื่อยขึ้นมาถึงท่ากลางหน้าอกถึงคอถึงหัวถึงบริเวณใบหน้าถึงบริเวณปลายช่องจมูก สมมติว่าลมหายใจเข้าให้ใจออกผ่านบริเวณปลายช่องจมูกหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทเวลาหายใจเข้าไม่ต้องนึกตามลมหายใจเข้าเวลาหายใจออกไม่ต้องนึกตามลมหายใจออกนึกอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกแห่งเดียวพยายามประคองจิตย้ายฟุ้งซ่านอย่าให้เคลิ่มหลับใหอยู่กับลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทออกโถ ทำไป